เกี่ยวกับการพุทธศาสนานเนี่ยทั้นซึ่งรู้สึกว่าอาจารย์ให้ความสําคัญกับลูกศิษย์อย่างมากมจากนั้นก็ได้ช่วย อ, องค์หลวงตาเกี่ยวกับอทอดผ้าป่าพาลูกศิษย์ทอดทอดผ้าป่าสร้างเกดีหลวงต า, าแล้วก็เกี่ยวกับมูลนิธิหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธอย่างนั้นแหละคือทําคุณประโยชน์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 วัดต่างๆก่อนหลังไหลเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่ากับเป็นผลดีไหมก็ดีเพื่อจะได้รู้จักมักคุณเป็นการทัศนศึกษาถ้าว่าเราอยู่ตามลาพังไม่เคยไปวัดไหนเลยเราก็คับแคบถ้าเราไปเห็นครูบาอาจารย์วัดต่างๆท่านพาดําเนินยังไงไปแห่งหนึ่งถ้าเราสังเกตนะตาดู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 จากนั้นก็ทำโดยมากจะเน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาหรือหนังสือธรรมะให้กับคณะสัทธาติยาโยมแต่บางครั้งก็คิดเหมือนกันทำไมหลวงพอคิดยังไงบางทีแจก m p 3บางทีแจกหนังสือให้ไปจะมีเวลาอ่านเวลาศึกษาหรือเปล่าน้ะลูกหลานเ พ, อ เ, พอเผออาอาจจะเอาหนังสือไปเท้งหรือเอา m p 3ไปเทิ้ง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 ทำให้จุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนไปหมดแต่ท้าถ้าว่าพูดมากแต่เป็นแนวธรรมคำสอนเป็นแนวความคิดพวกเราจะต้องได้ฟังแล้วก็เพื่อการศึกษาจากนั้นจะได้นามาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราถ้าพูดมากเข้าไปเราก็จะเรียนรู้เรื่องต่างๆเพราะเราทั้งหลายจะเรียนรู้จะรู้เรื่องจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้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 นี่แหละอันนี้ก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะการับถือญาติโยมลูกหลานท่านยังเน้นเพื่อ <baz en> เป็นพัมเบลีว่าสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เ, ออเราได้ยินได้ฟังมาจางไหนสุดตรรมะปัญญาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปรรยัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทว น, ว น, ททวนจินตนาการไข้ควรทบทวน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 เราผ่านความสงบเรายืนนิ่งเหมือนกับเรายืนนิ่งพอเรายืนนิ่งเราจะมองเห็นในรอบด้านรอบข้างของเรามีอะไรตัวมดตัวเล็กๆตัวน้อยๆตัวเล่นตัวลาลเราก็มองเห็นได้ถ้าสายตาของเราดีเราก็มองดูพอเรานิ่งถ้าว่าเราวิ่งกระโดดโล ด, ดเต้นเราจะไม่เห็นอะไรยิ่งตาไม่ดี่รก็ยิ่งไม่เห็นอะไรอีกต่างหาก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 ท่านก็ได้สำเร็จพระสดาบันจากพระมนตรีบุตรพระมนตรีบุตรเถระที่พระอนุ์ได้ฟังธรรมถ้าท่านได้สำเร็จพระสดาบันนี่แหละไม่ใช่ว่าท่านได้ฟังจากพระพุทธเจ้าได้สำเร็จไม่ใช่น ะ, ะนี่แหละการฟังธรรมแต่ละแต่ละท่านแต่ละคน เ, ะเราจะไปว่าจะได้สำเร็จกับ